<Book> บุกทูยี่สิบสี่บสตชารการนัดหมายการเร็มูลกอดคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับเบลออทบัสนเรศดีผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ มานิมซ اعت ต์มอน ت าเซร์ทอบดคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับเทเลโฟนหามรอบอกโคดัดแนเดครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับเดฟเอเยดิยาร์วักเชนสบครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับเดฟเอเยดิยาร์บอแท็ซบอา ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับดาฟเอเยดี้ยาริเอคิชาช์พวดบวพรุ่งนี้ผมหยุดครับฟาดโดทะีดฮัสตันพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับมี خ و อฮีฟา د ا ดก ا ر ی ริบุกซ م ริม م ت ชอ ف م م ซ فردا وقت ن د ด ر วสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับอิน آخر ه ف ت ฮัฟเต้แ ای داری มอดอรหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ ی ออิ ن که ب บ کسی ส ر ا ر ملاقات د ล ر ی ดอรผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ من پیش نهاد می کنم آخر هفته همدیگر را ببینیم. را برای پیک نیکان دی؟ می کرد. می خواهی به پیک نیک بریم. و را برای شای هاد کان دی؟ می کرد. می خواهی به ساحل دریا بریم. و را برای تیو پوکه کان دی؟ می کرد. می خواهی به کوه بریم. و ผมจะไปรับคุณที่ทำงานมันได้ไปอโดร์ด์ดมบลตมีอยมผมจะไปรับคุณที่บ้านมันได้ไปคอน่ดอมบลตมีอยมผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารมันเจโลอิสตก็ห์โอทูบูสดมบลตมีอยม